ก็ยังอยู่ในพบริเวณสิ่งแวดล้อมในตอนแรกๆนี้ก็เอาแต่เรื่องเบา ๆ, ค, ๆค่อยๆหนักขึ้นเพราะว่าการเรียนสมาธินี้ต้องการให้ใจเย็นๆสบายๆคุยกันไปตามอัธยาศัยระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ ลูกเสก้าอาจารย์เนี่ยมันมีแปลกๆอยู่อย่างหนึง่งเวลาที่หลวงพ่อไปมอบตัวกับพระ อ, อาจารย์ครั้งแรกๆเราก็ไม่เราไม่นึกว่าเวลาที่เราไปมอบตัวแล้วนี่ต่อไปเราจะทำอะไรในขณะนั้นอายุยัง14ปีเย็ด15 หระหว่างนั้นเพอจบแล้วท่านบอกว่านี่เธอจงไปตักน้ําเราก็ไปตักน้ํานี่เธอจงต้มน้ําเราก็ไปต้มน้ํานี่เธอจงไปซักผ้าเราก็ไปซักผ้านี่เธอต้องถูกุ่ติเราก็ไปถูกุ่ตินี่เธอต้องล้างบาศ เราก็ไปล้างบ่าไม่เธอจงนอนก่อนเชื่อนคืนเล็กน้อยตอนนี้ฉันไม่ประยอมเพราะเข้าถึงกุศิก็หลับเลยอาจารย์ก็ตามมาที่กุศิมาเคาะประตูเราจะลุกขึ้นแน้นนี่มันยังสามพุ่มอยู่เลย เต่็จแล้วได้สามวันแรกเราก็มานึกถึงตัวเราเองเรามาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นี่ไมายถึงต้องทำงานหนักอย่างนี้พอวันที่สี่ใจก็นึกทันทีเลยว่าเราไม่เป็นลูกศิษย์ละหนีดีกว่าพูดอย่างนั้นจริงๆไม่เอาแล้วทำแบบนี้ไม่เอาแล้ว พอเดินไปเออเรานี่ทำไมจิตใจมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เดินไปครึ่งทางแล้วก็กลับต่อมาเมื่ อ, อได้รับฟังธรร ม, มะเราก็ได้นั่งสมาธิพลังจิตมันก็มาพอพลังจิตมาแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เราถูกพระอาจารย์ใช้นั่นมันเป็นของเล็กง้อย กลายเป็นสิ่งเล็กน้อยไปเพราะว่านเห็นว่าไอ้ที่เราได้สมาธิเนี่ยคุณค่ามันมากกว่าที่เราทําอีกเยอะถึงได้มาคิดว่าไอ้เรื่องการตัดสินใจนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียววันนั้นไม่กลับเราก็คงไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้น เ, เรื่องของการทําสมาธินี่ มันจึงเป็นเรื่องพิเศษขึ้นมาพอเวลาที่มันเกิดความอิ่มใจหรือเกิดความทุ่มเทินขึ้นมันจะเห็นว่าค่าของสมาธินี่มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดอย่างที่การทําทสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนกันกับ เ, เรารับประทานอาหารเวลาเรารับประทานอาหาร ตามธรรมดาตอนเช้ากี่โมงตอนกลางวันกี่โมงตอนเย็นกี่โมงอย่างนี้เวลาเรารับประทานอาหารแต่ถ้าหากว่าเรารับประทานผิดเวลานั่นก็ไม่เหมาะแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาไหนที่เขารับประทานอาหารเวลานั้น เขาก็จะต้องรับประทานอาหารกันเวลานั้นทั้งนี้เพื่อสุขภาพกายนั่งประการหนึ่งแล้วก็เพื่อสุขภาพอื่นๆเพราะว่าถ้ารับประทานอาหารจิตเวลามันกจะทำให้เกิดแอปสิตวิญญาอย่างน้ำย่อยการธรรมดาน้ำย่อยมันจะต้องออกเวลา8โมง มาถึงเวลาแปดโมงภาพในน้ำย่อยมันจะออกแล้วแต่ทีนี่เวลานั่นกัดไม่ได้ทานไปทานก็เวลาอื่นน้ำย่อยมันก็กลายเป็นกรดไปกัดกระเพาะกลายเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พูดมาเนี่ ย, ยจะย้อนมาถึงว่าการนั่งสมาธิเขาก็ต้องมีเวลาเป็นอย่างเรามานั่งสมาธิหนึ่ง <c oughs> สองทุ่ อ่าเกือบจะสองทุ่มเวลาพอดีเราก็ถี่ระฆังนั่งสมาธิอีกวันหนึ่งก็สองทุ่อีกต่อมาก็สองทุ่มในเมื่อเป็นอย่างเนี้ยท่านอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นการที่ถูกต้องว่าการทําสมาธินี่มันก็เหมือนกับรับประทานอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้เวลาเรามาทําสมาธิ ได้เวลาแล้วเราก็มาทําสมาธิตอนไหนก็ได้แต่เมื่อเราทําสมาธิอย่างเคยชินว่าเราทําสมาธิตอนนี้แล้วและเราก็มาอทําสมาธิร่วมกันอย่างที่หลักสูดรที่เราได้เขียนเอาไว้และเราได้พากันปฏิบัติมาเนี่ย อันนี้เป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์มหาศาลเพราะว่าแม้เราจะทำสามสุบนาทีแต่มันเท่ากันกับหลายชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าการทำในที่เดียวแล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็กลายเป็นเรียกว่ามิสัยทีนี้ เมื่อทำถูกต้องกับเวลาอย่างนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลประโยชน์มากมายการทำให้เกิดผลประโยชน์นั่นนะเพราะว่าเราทำถูกต้องเนื่องด้วยการทาสมาธิตรงต่อเวลานั้นมีผลมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติแห่งการต่อเนื่องแทนเดียวกันกับ าการรับประทานอาหารประจำวันทุวันนั้นเรารับประทานกันตามเวลาที่เคยรับประทานก็ะจะทำให้อาหารมีประโยชน์โดยตรงถ้ารับประทานเวลาผิดเวลาหรือจุดเกินไปกระทำให้การย่อยเสียระบบการสับถ่ายไม่ลงตัวอาจจะเสียสุขภาพได้การทาสมาธิ ก, ก็เช่นเดียวกัน เพราะการทำสมาธิคืออาหารใจเป็นการเติมพลังจิตหากทำให้ตรงต่อการที่เคยกระทำจะเป็นประโยชน์มากแม้การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำพอสมควรแต่ผลออกมาดีอย่างไรก็ตามการทำสมาธิแม้จะถือ ว, ว่าทำเมื่อไรก็ได้หากมีเวลาแม้เช่นนั้นก็ตาม ย่อมเป็นประโยชน์ต่ อ, อเขาได้ทุกเวลาแต่หากค่ำเพื่อไม่มีจุดยืนก็สู้ผู้มีจุดยืนไม่ได้เนื่องจากว่าตัวจุดรับพลังฐานที่จะรับพลังที่จะเข้าสู่ระบบทั้งว่าฐานที่จะรับพลังเข้าสู่ระบบมันก็เหมือนกันกับร่างกายที่เวลารับประทานอาหารเข้าไป เมื่อผิดเวลาแล้วมันก็อาการที่จะสร้างระบบอะไรต่างๆเป็นต้นว่าน้าย่อยหรืออะไรต่างๆนั่นก็ไม่สมดุลและการที่จเวลาที่เราทําสมาธินี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการทําสมาธินั้นเราต้องการพลังจิตแต่การที่พลังจิตจะเข้าไปสู่จุดไหน ในใจเพาเรามันมีฐานและมีที่ตั้งเนื่อมีฐานมีที่ตั้งพลังจิตนั่นนิดเดียวมากจะไม่ล้นหนีไปทางอื่นมันจะดูดซึงเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งทุกหยดหรือว่าทุกอน์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิาถูกการถูกเวลา มันจะทำให้การรวมพลังเนี่ยเข้าสู่จุดที่หมายและมีพลังเพิ่มขึ้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาเราทำผิดนั่นแม้ํำบริกรรมเริ่มต้นวินาทีของการบริกรรมต้องเข้าใจว่านั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ได้นำอาหารใจหรือพลังจิตนี้ เข้าสู่ใจของเราตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาบางคนอาจจะเข้าใจตัวเองว่ามานั่งแล้วเห็นแต่มันนึกมันคิดมานั่งแล้วไม่เห็นมันตัวเบามานั่งแล้วไม่เห็นมันสงบความเข้าใจอันนั้นก็เข้าใจแต่ว่าแม้จะไม่สงบแม้จะนึกแม้จะคิดแต่ว่านั่น คือสมาธิได้เกิดขึ้นแล้วสมาธิไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดความนึกคิดทั้งหมดนม้เราจะมีความนึกคิดอยู่ก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นเวลาทีเา่เป็นสมาธิจนกระทั่งเราไม่รู้ึตัวนั่นน่ะอันนั้นมันไม่ใช่สมาธิอันนั้นมันกลายเป็นฌานไปแล้วส่วนสมาธิเนี่ยต้องอยู่ในภาวะ ของความรู้สึกตัวโดยตลอดเพราะฉะนั้นเวลารที่เรามานั่งสมาธิกรันรที่นี่แล้วก็รวมกันนั่งถือว่าเป็นการนั่งถูกระยะแล้วก็ตามการแะตามระยะซึ่งในระยะหนึ่งและระยะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นคุณประโยชน์ที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ คุณประโยชน์หลายอย่างสภาพร่างกายสภาพจิตใจมันจะมีการเปลี่ยนสภาพจะมีการเปลี่ยนสภาพไปตามระยะพอเทอมที่หนึ่งพอเทอมที่สองจิตใจนี่มันจะเปลี่ยนไปตามระยะเพราะว่าพลังจิตเนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วก็เก็บเพื่อที่จะนําไปใช้การ โดยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยรูจึงมีการสอนทั้งทางภาคพฤสดีและทางภาคปฏิบัติซึ่งปฏิบัติมีการทำสมาธิรองต่อเวลาทุกวันทุกวันทั้งนี้เพื่อให้การเรียนสมาธิมีผลมากแม้จะดูว่าการปฏิบัติไม่มากนักแต่ขอให้เข้าใจทุกคนเถิดว่าท่านทั้งหลายกำลังทำสมาธิที่ถูกต้อง และสู่เทคนิคของสมาธิที่จะให้ผลมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่ศึกษาการที่นักศึกษาได้มาศึกษาทำสมาธิตรงต่อเวลานั้นผลมีหลายประการนอกจากเราจะได้พลังจิตแล้วเราจะได้กายสมรู้และจิตสมคู้อันหาได้ไม่ไมง่ายนักเหนือจากเหตุผลดังกล่าว คือการทำสมาธิตรงต่อเวลาทุกวันทุกวันและหลายวันนี้คือความถูกต้องที่สุดที่นี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นตรงไหนความสามัคคีที่เกิดขึ้นตรงมีจิตเอมีความมุ่งหมายอันเดียวกันความมุ่งหมายอันเดียวกันคือจิตทั้งสี่ห้าร้อยดวงเนี่ย ได้มีจิตมุ่งหมายอันเดียวกันคือต้องการสมาธิต้องการทําสมาธิไม่มีใครที่จะมีจิตมุ่งหมายไปในทางอื่นเมื่อมีความมุ่งหมายมาในทางเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดท้าเรียกว่าอนุภาพอนุภาพอันนี้เอเกิดขึ้นมาเป็นอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นอ นักโทษประหารที่ในเมื่อการก่อนที่ได้ยินมาว่ามีนักโทษประหารที่ประเทศอังกฤษนักโทษประหารนั้นวันนั้นเขาจะต้องเอาดาบเนี่ยฟันลงที่คอของนักโทษเขาก็เอาผ้ามัตตาเอาผ้ามัตตาไปก็ไปถึงหลักประหารเมื่อไปถึงหลักประหารนั้น ต้องการอยากจะรู้ว่าไอ้พลังจิตทัท้งคนนี่มันทําให้คนตายได้ไหมก็จึงนัดคนมาประมาณยี่สิบกว่าคนมายืนอยู่แล้วทุกคนนั้นให้พูดเสียงเดียวกันว่านี่คือเลือดนี่คือมีดดาบนี่ได้ฟันคอขาดไปแล้วให้พูดเป็นเสียงเดียวกันแต่แท้ทจริงนายเพจะคาดนั้นเอาน้ําเอาน้ําธรรมดาเนี่ยรดหัว นักโทษแล้วก็เอาสันดาบเนี่ยฟันไม่เอาดาบฟันด้วยน้าที่ไหลออกมานั่นทุกคนบอกว่าโอ้โหเลือดทั้งนั้นและเมื่อเวลาพระเจ้าข้าเอาสันดาบฟันชั่วลงไปเนี่ยโอ้โหพอขาดไปเลยนักโทษนั้นตายโดยไม่ต้องได้ไม่ต้องสวมคมดาบ อันนี้เราก็คงจะรู้แล้วว่าอนุภาพขององความเป็นเอกภาพเนี่ยมันมีอานุภาพสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งสมาธิเรามีถึงสี่ห้าร้อยวัตใจเนี่ยแล้วหัวใจเนี่ยได้ไปผูกพันอยู่ในเอกภาพันเดียวกันอานุภาพอันนี้จะต้องเกิดขึ้นเมื่ออนุภาพอันนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็มีหลวงพ่อเป็นผู้นำเกิดส่งจะเติมอนุภาคอันนี้ลงไปในที่สุดถึงที่สุดเท่าที่ผ่านมาหนึ่งก็ดีหรือสองมาก็ดีเมื่อถึงเวลาที่จบลงไปแล้วทุกคนเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซนได้รับผลอย่างดีอ้าวไม่ได้อธิบายแล้วข้อสีว่าไง <c oughs> ข้อเส้นนั้นหมายถึงว่าสถานที่ชุมชนควรจะทำสมาธิหรือไม่อันนี้เราต้องการอยากจะให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีการลันยุตาการลันยุตาแปลว่ารู้จักกาละและเทศะการรู้จักกาละและเทศะนั้นเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการทําสมาธิเป็นของดีจริงแต่ถ้าเราไม่รู้จักกะละเทศะการทําสมาธิก็จะกลายเป็นโทษ <c oughs> อย่างการที่เราจะด่าใครสักคนนี่ถ้าเราไปด่าในห้องคนเดียวเนี่ยไม่มีผลเพราะว่าเขาไม่ได้ยินแต่หากว่ามาด่าท่ามกลางประชาชนเนี่ย มันก็ต้องเกิดอาการกระทบกันขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธเาิเราทำต่อนหน้าชุมชนเพื่อหวังจะอวดแม้เราไม่คิดอวดแต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นชุมชนแต่ถ้าหากว่าชุมชนนั้นเขานั่งสมาธิกันเรากลับไม่นั่งเขานั่งสมาธิกันกลบไปนั่งมองเขาหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็ ทำอะไรก็ลุกผูกกักอย่างนี้ก็ถือว่าไม่รู้จักกาลเทศะอย่างที่ว่าแต่ในชุมชนนั้นทำไมถึงได้เกิดมีการสำเร็จบรรลุนับเป็นจำนวนถึงแปดหมื่นคนที่เขียนไว้ในที่นี้ในครั้งนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสิริมานางสิริมานี้จะเป็น หญิงโวเภณีที่มีความสวยมากที่สุดถ้าหากว่าใครจะไปร่วมอยู่ด้วยวันหนึ่งต้องเอาหนึ่งแสนกระหาพระนะอ่าทีนี้ต่อมาเธอก็อได้มาฟังธรรมแล้วเธอก็ละอาชีพนั้นแล้วเธอก็นิมนต์พระเนี่ยไปฉันทุวันทุวันอยู่มาวันหนึ่งก็นิมนต์พระหนุ่มไปฉันพระหนุ่มแกไปเห็นรูปสวย รูปของนางสิริมาเข้าแกก็หลงไหลหลงจะไงทั้งไม่รู้จะหลงยังไงข้าข้าวก็ไม่ฉันแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็ถึงคราวที่นางสิริมาเธอจะสิ้นชีวิตก็มาอีกอาทิตย์หนึง่งนางสิริมาก็สิ้นชีวิตพอสิ้นชีวิตแล้วพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ามีพระองค์หนึ่งกำลังหลงไหลอ ย, อยู่ก็จึงได้สั่งอายัดศพ ให้พระเจ้าแผ่นดินอายัติตกไว้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ประกาศว่าจะแสดงพระธรรมเทศนาคนเป็นจํานวนกว่าแปดหมืนคนที่มาประชุมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตีราคาอตีราคาว่านางสิริมาเนี่ยหนึ่งแสนใครจะเอาบ้างไม่มีหนึ่งพันใครจะเอาบ้างไม่มี หนึ่งร้อยมันมีแล้วก็สตางค์หนึ่งละก็ไม่มีอีกพระเท่ไปนั่งอยู่ที่นั่นและพร้อมทั้งคนจำนวนแปดหมื่นคนทั้งหมดแปดหมื่นคนเนี่ยเขาจะมีจิตเป็นเอกภาพเธอจิตเป็นเอกภาพพอจิตเป็นเอกภาพแล้วเนี่ยพอดีพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยและพระพุทธเจ้าก็มีพลังจิตอันสูง พระองค์ก็ชี้ลงไปที่กบของเอานางเิริมานั่นพระองค์นั้นได้สําเร็จแล้วพระองค์นั้นไม่ได้สําเร็จองค์เดียวคนทั้งแปดหมื่นคนนี้ก็ได้คลอยได้สําเร็จคือได้สําเร็จขั้นไหนก็คงจะได้สําเร็จระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเอกภาพเมื่ออยู่ที่ใดที่นั้นเมื่อมีบุคคลน้อมเพื่อจิตจะให้ สำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าจะแดงอะไรเนี่ยแปดหมื่นคนเนี่ยได้สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าจิตไปมุ่งอยู่อันเดียวคือนางสิริมาที่ได้สลายตัวลงไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้บรรลุเพราะว่าจิตเป็นเอกภาพ <c oughs> แล้วก็ ยังมีที่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องศึกษาในครั้งที่พระพุทธเจ้าสแสดงยามกปาทิหารครั้งที่พระองค์สแสดงยามกปาทิหารนั้นมีเรื่อง เ, อเล่ามาว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการอยากจะให้รู้ว่าในปัจจุบันนี้มันมีพระ้าหั่นจริงไหมแกจึงได้เอาบาตรที่ทําด้วยไม้จันท์มีค่า แล้วก็ไปเอาไม้ไผ่มาต่อๆกันหกติดต่อแล้วเอาปาดใบนั้นะไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่เมื่อไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่แล้วประกาศเลยว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็เหาะมาเอาเอะแอบพวกเจริญผพวกนั้นใครๆตามก็พากันมาบอกว่าให้ข้าไปเจ้าเธอข้าไปเจ้าเป็นพระอรหันต์ แต่เีก็บอกว่าก็เป็นพระอรหันต์ก็หอไปเอาเ้ไม่มีใครหอได้เรื่องก็ได้ยินไปถึงพระโมกขณาเอา๋เอพวกนี้คงจะเห็นผิดแล้วว่าพระอรหันต์ไม่มีอย่า ก, กันนั้นเลยเราสององค์กินโดภลัชวาชเราหอ ก, กันเถอะสององค์ก็เลยหอกแล้วก็ไม่หอกเปล่าด้วยเอานิ้วโป้เท้าเนี่ยไปเกาะหิน เท้าบ้านเนี่ยติดเท้าไปด้วยคนมองดูโอ้เอาก็ะ้อมชอบหัวบอกว่าอย่าหลนอย่าหลนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจึงก็เอาเท้าเนี่ยยันหินให้กลับไปอยู่ที่ภูเขาตามเดิมเศรษฐีก็เลยคิดว่าโอ้เนี่พระอรหันต์มีจริงก็เลยถว า, ายบาทรพระพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์แค่นั้นพ่อคนก็อากันลือกันว่า พระโมกขาลาหะมาเอาบาดพระพุทธเจ้าเห็นว่าการกระทําเช่นนี้มันไม่เหมาะจะไปแสดงปาฏิหาริย์แค่บาดลูกเดียวพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าต่อไปนี้พระสาวกใครสาเร็จก็ห อ, อกไม่ได้อย่างนี้ห้ามเลยเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามแล้วพวกเดียร์ีทั้งหลายก็พากันได้ใจต่อไปนี้เราจะแสดงปาฏิหาริย์สู่ละ เพราว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ใครทปาปาฏิหาริย์แล้วพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทําที่ไหนได้พระพุทธเจ้ากคยบอกว่าเราจะทํายามกปาฏิหาริย์ทำที่ไหนทําที่ต้นมะม่วงไอพวกนั่นก็เลยเลี่ยรายเงินกันค่อนต้นมะม่วงเคลื่อนเมืองสาวกถีรู้ซิว่านำหน้าพระพุทธเจ้าจะไปเอามะม่วงที่ไหนมาทําปาฏิหาริย์ในที่สุดพระองค์เสด็จไป บอกว่าจะทำปฏิหารวันนั้นวันที่ทถานั้นเดือนนั้นโอ้โหคนมาที่นั่นนับเป็นจำนวนหลายแสนมาร่วมประชุมเพื่อจะดูปฏิหารอ่าทีนี้พวกเยรถีเหล่านั้นก็เลยพากันไปเพื่อจะดูน้ำหน้าว่าพระเจ้าพระสมณโคโดมเนี่ยจะเอาที่ไหนเอาอะไรมาทำปฏิหาร นะแล้วบอกว่าจะทำต้นมะม่วงจะเอาต้นมะม่วงที่ไหนแต่ในที่สุดนมอุทยานบานก็คือหมายความว่าคนรักษาสวนสาธารณะแกก็ไปเห็นนะไอ้มะม่วงไอ้มดมดแดงมันห่อเอาไว้ไปแกะมะดแดงออกเอามะม่วงนั่นได้ลูกเบ่อเลอเพราะว่ามันไม่ใช่หน้ามะม่วงแต่ว่ามดแดงมันห่อไว้ห่อในลัง แกได้มาแกก็คิดว่าเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเราคงจะได้สักแปดกระหาปณ ะ, ะอย่างมากอยากกันนั้นเลยเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเธอเธอเลยเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเอาไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเอ้ยในพุทยานบานแคร์ขันน้าปนะเขันน้ำปณะออขันน้ำปะนะพร ะ, นะนนร ะ, นะะห้าร้อยกินน้ำมะม่วงลูกเดียว อิ่มหมดทั้งห้าร้อยเราพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกเอามะม่วงนี่ปลูกลงไปเดี๋ยวนี้ในอุทยานบาลนายอุทยานบาลก็ขุดลงไปเอาเม็ดมะม่วงเพาะลงไปไม่ถึงสิบวินาทีมะม่วงเกิดมาต้นสาม อ, อ้ใหญ่เบ้อดเด็ดแล้วอระพระทุทธเจ้ากวันกลางคืนกลางคืนไม่มีแสงสว่างนั่นสว่างสุดจ้าประจัน อย่างนี้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมที่เรียกว่าเร า, เาตักบาทเทวกันนะขณะี่พเจ้าจแสดงยามกประเทียบฐานหัวหน้าพวกเสียรัดสีที่ที่รายเงินมาเพื่อที่จะตัดต้นมะม่วงเขาก็ยกนั่งล้านขึ้นไปสูงกว่าหกสุดสอ่อขึ้นไปนั่งอยู่บนนอนลมอะไรไม่ทราบพัดนั่งล้านพัง หัวหน้าก็ตกลงมาแต่ไม่ตายเขาก็เดินหนีพอดีพวกที่ถูกเรียลายเงินเขาก็มาคอยดูอาจารย์ของเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์จะไปไหนอ่ะแกไม่ต้องพูดแกถืออะไรมาถือหม้อเอาหม้อมาให้เราแกถืออะไรมาถือเชือ ก, เ อ, เ, อกเอาเชือกมาให้เราเสร็จแล้วเขาก็เอาดินสายใส่หม้อแล้วเขาก็เอาเชือกมัดหม้อข้ามนึง แล้วเขาก็มัดคอเขาข้าวหนึ่งแล้วเขาก็กระโดดลงไปในแม่น้ำอจิราวดีอ่าคราวนี้ตายแน่เสร็จ <c oughs> แ, แล้วพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจบต้องเข้าใจว่าเอกภาพอันหนึง่งที่บังเกิดขึ้นกับประชาชนนับแสนก็คือเอกภาพของจิตเอกภาพของจิตนั้นได้ส่งเข้ามาสู่ต้นมะม่วง แล้วก็ได้ส่งเข้ามาสู่องค์พระพุทธเจ้าที่สง่า ง, งามแล้วก็จิตนั้นได้ส่งเข้ามาสู่ความมีอภินิหารที่น่าอาจจัศจรรย์ในจำนวนคนแท้ทั้งหมดนับจำนวนหลายสิบแสนก็มีเอกาภาพส่งจิตมาในที่เดียวโดยอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงทำในขณะนั้นตามกระแสเ้าเรียกว่าตามกระแสของความเป็นเอกภาพเมื่อจับจับจุดเอกภาพคือจับจุดเหมือนได้แล้วเนี่ยแล้วก็พลังจิตของพระพุทธเจ้ามีมหาศาลแล้วก็แสดงทำออกไปตามกระแสของความเป็นเอกภาพอะไรเกิดขึ้นค น, นจำนวนเจ็ดแสนได้บรรลุในวินาทีนั้น จากนั้นพระองค์ก็มาคิดถึงว่าพุทธมารดาเวลานี้อยู่ชั้นอูนุสิเรายังไม่ได้ทดแทนข้าวป้อนน้ำนมเพราะว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาเพียงเ็ดวันพระมารดาก็ได้สิ้นชีว์เวลานี้อยู่ที่ชันดาุสิตพระองค์จึงได้อำลา คณะญาติโยมทั้งหลายบอกว่าก็ลองจะขึ้นไปโตรวจพุทธมารดาทุกชั้นดุสิตเจงได้ยา่างสามเก้าวขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงเมื่อไปถึงชั้นดาวดึงแล้วเจึงได้บอกพระอินว่าให้ไปเชิญพุทธมารดาว่าพุทธมารดาหนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ชั้นดุสิตให้มาฟังธรรมเพื่อที่ ท่านจะได้ทดแทนดุลพันธุ์ข้าวาและน้ำนมอย่างนี้ <c oughs> พุทธมารดาก็จึงได้นำเทวดาในชัดด้นุาษตมาประมาณสิบล้านมาห้อมลอมพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นได้แสดงธรรมเรียกว่าพระหพิธรรมตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษา เดี๋พูดอย่างหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยปั๊บปั๊บปับปบ ป, บ ป, บปับอย่าเงี้ยแล้วไม่ไม่ไม่หยุดสักเพียงก็จะนั้นเจงได้พระอภิธรรมถึงสี่หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อะเวลาที่เรามีงานศพเนี่ยต้องการพระแทนเข้าวป้อนน้ำนมพ่อแม่ของเราเราจึงนีมนพระมาสวดพระอภิธรรมแต่เราก็สวดพระอภิธรรมไม่รู้เรื่องว่าพระอภิธรรมมันว่ากันยังไงอย่างนี้เป็นต้น อย่างที่พระบิรรมท่าน ท, าทั้งเทท่านก็สวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอันนั้นก็หมายความว่าสว่วนหนึ่งร้อยกรองแล้วก็มาร้อยแก้วก็บอกว่าสมาถาวิปัสสนานังภาวนานงมิโตพรางกมัตถานัง ประวัติคาเมนโวยทางปิยทธาตมังมัทคาทะลันจะนิ บ, บนังปัจจะวกสิ่พันดิโตแนี่ยพระสวยอย่างนี้แต่สวยอย่างนี้ราคาแพงหน่อยเพระสวยกุศลธรรมมาคนจะได้สักห้าิบาท ถ้าสวดอย่างนี้ต้องมีร้อยบาทอะไรอย่างเงี้แต่ว่าที่เท้าสวดอันนี้มีความหมายเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นั่นใช้เวลาถึงอสามเดือนเมื่อใช้เวลาสามเดือนแล้วพระพุทธเจ้าไปฉันตรงไหนสามเดือนไม่ได้ฉันก็เสร็จเรียบร้อยสิแต่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาคัดตาหารพระองค์ใช้แยก ร่างกายของพระองค์ส่วนหนึ่งแสดงธรรมส่วนหนึ่งลงมาเมืองมนุษย์มาบินขบาตฉันเสร็จแล้วถึงกลับไปเข้ารูปตามเดิมในเรื่องนี้คือเรื่องของกายหยาดและกายละเอียดหรือเรียกว่าอาทิตย์สมานกายเราจะอธิบายต่อไปอยังอีกเยอะแต่ว่าอาธิบายตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรม ท, ท, ทีนี้ เขาจึงได้คิดว่าพระอภิธรรมเนี่ยมันสูงสุดเขาก็เลยไปเรียนพระอริธรรมกันแต่ว่าการที่จะเรียนพระอริธรรมได้หรือว่าจะถึงอริธรรมแค่ไหนก็ตามเหมือนอย่างที่หลวงพ่อสวมเมื่อกี้นี้ว่าสมถาวิปัสนานังคือสมถะเราฟังชัดนะวิปัสนา ไม่ใช่มีวิปัสสนาอย่างเดียวต้องมีสมถะถ้านนีฉะนั้นละมรรคพาลันจะมิพานางังมรขผลไม่มีเพราะฉะนั้นการที่คนจะตายข้ามไปเอาวิปัสสนาอย่างเดียวนั้นไม่สำเร็จแน่กลายเป็นวิปัสสนาตกน้ำซึ่งจะอธิบายตายา่อไปข้างหน้าทีนี้มาเมื่อออกครรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงได้ เทศจบอธิษฐานจบออกพรรษาก็ลาพระอินทร์พระอินทร์เกงได้สร้างบันไดเงินบันไดทองบันไดนาแล้วเอพระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดทองพวกที่ได้สําเร็จเป็นจํานวนสิบกว่าแสนเอคนที่ได้สําเร็จก็ได้คอยพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประจมพรรษาเราคอยพบท่านเพราะฉะนั้น เมื่อวันออกพรรษาพระองค์เสด็จตรงมาประชาชนก็เลยมีความชื่นชมดีใจหนักหนาก็เลยเกิดตักบาตรเทวกรนขึ้นแล้วก็ทำกระไดลงมาจากหลังคาสล า, าบางวัดนะใส่ลงมาพระตบกคมีดีไม่ดี เ, เดี๋ยวหลวงพ่อทำกระไดมาจากยอดเจดีย์ก็คงจะน่าดู <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราพูดถึงชุมชนป่าไม้ก็ไม่ได้พูดภูเขาก็ไม่ได้พูดกตีละครซะก่อนเทเนี้ยป่าไม้ภูเขาเนี่ยเอาไว้พูดกันบนดอยอินทนนท์ก็แล้วกันวันไหนนั่นแล้วพูดเรื่องป่าไม้ถ้าพูดป่าไม้เราก็เราเดินป่าไปเลยเพราะฉะนั้นบทย่อที่เราได้อ่านใน ในแรมนี้บทพิสดารไปหน่อยถ้าบทย่อต้องการก็มีคิดอยู่ที่นี่แล้วก็ใครละจะสีหลอกให้กั น, นสองวันสองวันแล้วหรือว่าใครอยากได้ก็นี่คื อ, เ, อ, อเราจะได้รู้ว่าไ อ, อ้ป่าไม้ควรจะทำยังไงภูเขาควรจะทำยังไงในชุมชนควรจะทำยังไง <c oughs> ก็อธิบายอย่างนี้ก็คงจะ จับศรพอดูแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่อเองก็คงจะให้เพียงว่ามีความเข้าใจเพราะว่าพวกบริเวณแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยทุกคนทุกคนเนี่ยคิดว่าในตัวของตนเองเผมจะเข้าใจในตัวเองพอสมควรแต่ที่อธิบายให้นี่ก็เพื่อจะให้มันเกิดเป็นหลักการเึ่งเท่านั้น แต่ความเข้าใจนี่คิดว่าทุกคนคงเข้าใจได้จ <c oughs> บแล้วเหรอเรากันเองเกิญบ้างขัดบั่งคงไม่เป็นไรนหรอกเลาส่ง <c oughs> นจะถึงการตอบถามตามอัธยาศัยเพราะว่ายังเป็นอาทิต์แรกแต่คำตอบเป็นข้อความคงยังไม่มีก็ขอเชิญคุณคมรัฐพิชิเดช เอออยจะจะเรียนสามเรื่องตอนตรงกรมนะคือเมื่อกําหนดจิตแล้วแล้วก็ลองเดินแล้วก็ทําบริกรรมเอก้าวเท้าขวาซ้ายขวาเนี่ยนะฮะแต่แต่ล้วใจมันก็ไม่ได้ไปอยู่กับที่หน้าขาก็อยู่กับเท้าซ้ายพุดขวาโตขวาพุทซ้ายโตเขาอยู่ตรงนี้หมดตลอดนะฮะเขาอยากจะเพียรถามท่านอาจารย์ว่าจะทำไงจะให้กําหนดจิตให้มันอยู่ที่หน้าผากได้ครับคือเราเวลาเรา เดินถึงโกงนี่มันจะมีการบริกรรมทำบริกรรมนั่นก็คือที่จะทําให้จิตของเราตั้งหมายความเป็นพุทธโธ <c oughs> พุทธโธพุทโธเนี่ยความจริงแล้วมันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆข้างหน้าเราน่พอเวลาในพุทโธเนี่ยมั น, น, คนคงลงไปเท้าไม่ได้เวลาในพุทธโธพุทธโธคงจะอยู่แค่ข้างหน้า ันก็คงใกล้หน้าผากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จับพุโทโธอยู่ตรงลมหายใจอันดับแรกถ้าหาวยังขึ้นไม่ได้ก็ให้พุโทโธอยู่ตรงลมหายใ จ, จยก่อนก็จะสามารถแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าการเดินจงกรมนั้นเราไม่ต้องการสมาธิลึกเราต้องการสมาธิตื้นให้มีความรู้และมีสติอยู่ใช้ได้ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณคมสันรธมมัจจรีศาสตาหมักราชอาจารย์แต่ผมอยากเรียนถามอาจารย์ว่าบางวันเนี่ยอยากจะเดินตรงกรมมากๆบางวันก็อยากนั่งมากๆานี่มันเป็นน้อยไรครับหรือว่าบางวันเนี่ยไม่อยากนั่งไม่อยากเดินเลยครับอันนี้ก็คงจะเป็นเอสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเ้าเรียกว่าจุดดา หรือเรียกพวกมารชนิดหนึ่งเพราะว่าการทำความดีนั้นมีมารทประจนแต่การทำสิ่งที่ไม่ดีมารไม่ประจนอันนี้เราเรียกกันว่าขันธมารหรือเรียกว่ากิเลสมารเราไมอยากไปเชื่อมันกันแล้วกันเราทำไปตามโป ร, โกรแกตดีที่สุดขอบคุณผอาการย์ครับอ่าต่อไปขอเชิญคุณแพท จากการที่สิทธิ์ได้เคยพูดคุยสอบถามกับผู้ที่เริ่มนั่งสมาธินะคะเขาบอกว่าเขาพอเขาเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยสิทธิ์เขาเหมือนกับเขาได้ไปท่องเที่ยวทุกทีเขาก็เลยคิดว่าการนั่งสมาธินี่ไม่เกิดประโยชน์เขาก็เลยไม่ได้ทำไงเขาเลยเลิกนั่งสมาธิแล้วสิได้มาจากการที่เรียนมาศึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่า กนนั่งสม า, าธิแม่อธิษฐานว่าใครคือผู้รู้จิตก็ได้ปอธิบายให้เขาฟังปรากฏว่าเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพอเขานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเขาได้ออกไปท่องเที่ยวทุกครั้งเนี่ยเขาจะดึงจิตเขากลับมาได้อย่างไรอการที่จิตไปท่องเที่ยวนั่นคือมันเป็นออาการพริยาชนิดนี้เพราะว่าอารมณ์อารมณ์มเนี่ย บางทีมันกลายเป็นตัวขึ้นมาไอ้ความนี้พอเวลาอารมณ์มันกลายเป็นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ย อ, อก็กลายเป็นในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นประโยชน์จริงๆเหมือนอย่าง ก, ก็อารมณ์ของค น, นถ้าหากว่ามันธรรมดาๆรรเนี่ยมันไม่เป็นตัวแต่ถ้ามันรุนแรงขึ้นเน่ยมันกลายเป็นตัวปไปไคล้ายๆก็ว่ามีเรื่องมีราวไปอย่างเนี้ย พอเวลาคนที่ทําจิตเนี่ยจิตของคนนั้นอ่ะมันเกิดมีเอ้ะความรุนแรงอยู่ข้างในรุนแรงหมายความว่าจิตมันสงบมันก็เลยไปไปตามอารมณ์ทิ่งนั้นคงไม่ได้ประโยชน์เมื่อเขาต้องการอยากได้ประโยชน์มานั่งสมาธิกําหนดจิตว่าใครเป็นผู้รู้ในที่สิดแล้วจิตก็จะมาตั้งอยูโดยที่ ไม่มีการล่องลอยเขาก็จะได้พลังจิตสิ่งที่ต้องการของการทําสมาธิคือพลังจิตเขาได้ได้สิ่งที่ต้องการอย่างมีเป็นตรงก็คือตอบไปตรงนี้บต่อบายขอเชิญคุณจงชนะผู้สมรักกรรมนรมาส ก, การอารจารย์จะมีคําถามที่อาจจะให้อาจารย์แนะนำคือในขณะที่ จีตได้ทําอสมาธิโดยวิธีการเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิในขณะที่จะทําทในการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี้การกําหนดลมหายใจโดยกล่าวบริกรรมคําพุทโธไปด้วยในขณะที่หายใจเข้าออกจะเกิดอาการมีอาการหายใจเหนื่อยมากอาการเหนื่อยแล้วแต่นี้จะเป็นลักษณะห น, นึ่งซึ่งอ สักพักหนึ่งจะหายไปและอาการเหนื่อยนี้จะหายไปสักสักพกหนึ่งจะมีอาการบูดขึ้นมาอาการบูดในในขณะนั้นจะเหมือนกับนอนหลับจักเรียนถามพระอาจารย์ว่าในการขณะที่เหมือนนอนหลับเนี่ยเ อ, อเป็นวิธีทำที่ถูกต้องหรือไม่เออเกินที่เหมือนกับจะนอนหลับนั่นอ่ะ <c oughs> มันเป็นเวลาจิตจะเข้าเขวัง เ, เวลาลักษณะเหนื่อยนั่นอ่ะ ก็คงจะเป็นเวลาที่จิตมันเดิมที่นี้ผู้เข้าไปนั้นคิตมันเร่มคงจะอาจจะไม่พูดรเร็วรู้ว่าอาจจะใช้การเดินมันอะไรหน่อยแต่ทีนี้การที่เหมือนกันก็จะหลับนั้นคือการเข้าระวังการเข้าระวังเช่นนั้นควมจะเป็นเวลานั่งไม่ใช่เวลาเดินจนงกลมและการเข้าระวังก็ไม่มีผิดเพราะว่า เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วสำหรับการนั่งสมาธิต่อไปขอคุณบัติวงทองมากกราบธรรมสถานหลวงพ่อครับคือผมมีปัญหาอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องฐานซึ่งหลวงพ่อเคยบอกผู้ร้ว้เมื่อวานนี้ว่าฐานเล็กกับฐานใหญ่เนี่ยครับเกิดจากอะไรแล้วก็มันมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงต่อกัน ฐานเละฐานใหญ่นี grown, ka, the nelle, ่ม it ันเป็นมาจากธอธนชาหรือเรียกว่าเคยหรปุิเก่าอันนี้ก็คงจะพิดแแต่ก้นพันธุดินะว่ามาจากอดีตก็จึงมีฐานของจิตนี้จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนก็มีฐานใหญ่ มีความคิดว่าจะต้องช่วยเหลือเอคนให้มากที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะทําการให้ใหญ่ที่สุดอันนี้คือคนมีฐานใหคนที่มีฐานแล็กก็เอาเฉพาะครอบครัวมีอยู่มีชาก็พอแล้วอไม่คิดอะไรมากอันนี้คือฐานของจิตทีนี้เมื่อมาถึงการทําสมาธิฐานเหล่านี้ก็ต้อง มีอยู่อย่างเดิมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มีฐานน้อยก็เหมือนกับอช่องที่จะเทน้ําใส่เนี่ยมันน้อยตัวขันเดียวก็ไปแต่คนที่ฐานใหญ่เนี่ยใส่สักหกขันจะยังไม่ใส่รู้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องของฐานของจิตมันก็มีอย่างนี้แต่ใครจะฐานเล็กฐานใหญ่ก็กําหนดไม่ได้หรอกเพราะ มมเจะจะมีผลกับการทำสมาธิยังไงวไมีผลกับการทำสมาธิคีอพุทที่มีฐานเล็กเขาก็ทำได้เลยกว่าคนที่มีฐานใหญ่ก็ทำได้ชากว่าก็คุณพ่อมาครับอ่าต่อไปก็ขอเชนรัตเตอร์จามารีพระดิตรี กับนมัธกบารศระอาจารย์นะคะสิทธิ์ก็มีคําถามก็คือว่าประมาณเปี90นะคะประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยสิทธิ์ได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาะคะก็ได้มีโอกาสได้พบาศาสตรสาจารย์ชาลูริกรันท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ศึกษาก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านท่านก็กล่าวว่าการทําสมาธิศึกษาของทางตะวันตกกับตะวันออกนั้นต่างกันค่ะ ทางกะวันตกนั้นเขาจะเริ่มเรียนที่การวิเคราะห์จิตก่อนนะคะคือเป็นการเรียนจิตโดยโดยละเอียดนะคะว่าจิตนั้นะมีองค์ประกอบของจิตยังไงนะคะจิตทํางานยังไงอะไรอย่างนั้นนะคะมีการแบ่งแยกระหว่างจิตกับกายโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นก็จะเรียนกายนะคะอย่างเช่นว่าสมองส่วนไหนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบก่อจิตหรืออะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งสายจัด การท่านนั้นก็กล่าวว่าการเรียนแบบนั้นเป็นการเรียนแบบวิทยาศาสตร์นะคะนั่นก็คือว่ามีการเรียนที่อย่างรู้เรียนเป็นระบบระเบียบซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนของเราซึ่งเป็นชาวตะวันออกนั้นนะคะซึ่งมีการเรียนระหว่างจิตและกายโดยให้มีความสัมพันธ์กันอย่างที่เราเรียนอยู่นี้นะคะซึ่งฉันจะบอกว่าเป็นการเรียนเชิงจิตวิญญาณเป็นการเรียนที่ผู้เรียนนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เรียนเองจะต้อง พูดหาทักษะในการเรียนนะคะซึ่งตัวสิทธิ์เองนั้นก็เพิ่งได้โอกาสได้เข้ามาเรียนกับท่านอาจารย์นะคะก็อยากจะเรียนถามว่าท่านอาจารย์เคิดอย่างไรนะคะกับคําพูดนี้ว่าการเรียนของทางตะวันตกกับตะวันออกนั้นการเรียนทางตะวันตกนั้นเข้าเรียนอย่างเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งทุกคนจะสามารถไปถึงขั้นที่ว่าทาราบได้ว่าสมาธิ ค, คืออะไรนะคะในขณะที่พวกเราชาวตะวันออกนั้น จะได้ยานาจะได้สมาธิหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของรายบุคคลาขอะคุณค่ะ เ, เรื่องของจิตไม่ว่าตะวันตกหรือตะวันออกคือมีจิตดงเดียวกันแล้วก็มีรักษณะอันเดียวกันทม่มีเอกกายยากและกายละเอียดแล้วก็ รู้รู้จากกายาและกายละเอียดเนี้นอย่างการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าจิตเป็นอย่างไรพวกเรียนอริธรรมเนี่ยเขาจะวิเคราะห์กันเท่านั้นดวงเท่า น, นี้ดวงอย่างนี้เป็นต้นแต่การวิเคราะห์เหล่านั้นอ่ะวิเคราะห์เพื่อที่จะเห็นสิริยา เป็นอย่างสื่อเลือดยาของจิตนี่ความไมึกคิดหรือการเกาะกา ร, กการยึดของจิตนี่มีที่นั่นบ้างมีที่นี้บ้างอย่างนี้เป็นต้น น, นั่นคือการศึกษาแม้จะเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าลักษณะต้งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในการที่พวกเราพากันทํานี่ ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อได้สร้างหลักบูตรอันนี้มันก็ใกล้เคียงกับของตะวันตกแต่ถึงอย่างไรหลักจริงๆมันก็อยู่ที่ตะวันออกหรือว่าอยู่ในหลักคำสอนที่ได้จัดขึ้นมานี่ได้จัดเป็นขั้นเรียกว่าอย่าง เวลาที่อารมณ์จะเข้ามาเนี่ยมันจะต้องกรองมีเครื่องกรองหรือว่ามีจิตที่เกิดขึ้นจากอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกก็เป็นจิตดำแล้วก็จิตดำนี้ได้แผ่ขยายไปอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเรื่องจิตอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเวลาที่คนโกรธ จัดเนี่ยมันจะตั้งฐานอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันจะแพร่ซ่านไปถึงตรงไหนเช่นอย่างคนโกรธพ้อเนี่ยจะงูจะถึงเลยอย่างเงี้ยพอถึงแล้วหน้าก็าแดงอันนั้นมันเกิดมาจากอะไรอั น, นิีได้เพราะฉะนั้นหลักปูถุที่สลวงพ่อจะได้แนะนําต่อไปนี้ก็คงจะใกล้เคียงแล้วก็จะเป็น ตอไปคงจะได้เข้าใจแต่เวลานี้คงอธิบายได้ไม่หมดคงอธิบายได้ตอนนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ